ของขถวายพระมันมีอายุยาวสั้นไม่เท่ากันถ้าพระรับแล้วจะต้องนับวันของที่ญาติโยมมาถวายให้พระนี่มันมีอยู่สามแบ่งไว้เป็นสามพวกด้วยกันพวกอาหารสดอาหารแห้งนี่ถ้าพระรับกับมือนี่เก็บไว้ได้เพียงเที่ยงวัน จะเก็บข้ามคืนไม่ได้ถึงว่าญาติโยมเอาปลากระป๋องมาถวายสิบโหลอย่าเงี้ยถ้าเรารับปั๊บเนี้ยหลังจากเทียงวันไปแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ต้องสละไปถ้าอยากจะเก็บไว้ให้ญาติโยมมาวางไว้เฉยๆแล้วบอกให้รู้ว่าถวายแล้วพระจะให้ลูกศิษย์เก็บไว้ก่อนเวลาต้องการก็บอกให้เขาควายเอามาถวายให้ มีมางทีของมันมาปนกันมีทั้งอาหารมีทั้งของใช้มีทั้งของที่มีอายุ se, ที่ที่เก็บไว้ได้หลังเที่ยงวันก็มีอันนี้พูดเรื่องเรื่องอาหารก่อนอาหารนี้เช่นใส่บาตตอนเช้าเนี่ยเวลาหลังเที่ยงวันแล้วก็ใช้ใช้ไม่ได้ละเก็บไว้ไม่ได้ละแล้วถ้าเป็นอาหารมาตอนหลังจากเที่ยงวันแล้วก็รับไม่ได้ รับกับมือไม่ได้ต้องฝากไว้กับลูกศิษย์ให้เด็กวัดหรือไครเก็บไว้เขาจะมีห้องเก็บของให้เอาไปไว้ที่เก็บห้องเก็บของก่อนแล้วพรุ่งนี้ถ้าอยากจะใช้อยากจะฉันก็ให้ลูกศิษย์เอามาถวายได้ถ้าเป็นอาหารถ้ามาหลังเที่ยงวันไปแล้วรับกับมือไม่ได้เอาวางไว้ได้เอาวางไว้แล้ว บ, บอกว่าอเอออย่างนี้นั้นของส่วนใหญ่ที่ญาติโยมามาจึงให้วางไว้ก่อน ให้ลูกศิษย์เขาจัดการเดี๋ยวเขาไปเก็บไว้ให้ต้นเวลาต้องการอะไรก็บอกเขาของถ้าเป็นอาหารนี่ทัดรับกับมือถ้ารับตอนเช้าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ต้องแจกไปเก็บไว้ไม่ได้แล้วแม้แแจะไปบอกให้ลูกศิษย์เก็บไว้ก็ไม่ได้แล้วเพราะรับไปแล้วต้องสละไปน้องมีของที่รับแล้วเก็บไว้ได้เจ็ดวัน คือพวกน้ำตาลพวกน้ำอ้อยเนยข้นเนยใสน้ำมันอันนี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นยากินเป็นยาได้ก็ให้ถ้ารับกำมือนี้เก็บไว้ได้เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันแล้วก็ไม่ให้เก็บไว้ถ้ามันเยอะมเก็บแล้วฉันเกินชั้นไม่ทันเจ็ดวันก็อย่าเพิ่งรับให้วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ เวลาต้องการก็ให้ก็เอามาถวายถ้าอย่างนี้ก็เก็บไว้ได้เรื่อยๆไม่มีเวลาแต่ห้ามเก็บไว้ที่กุฏินะต้องเอาไวท้ที่ที่สะที่ลงเก็บของแล้วเวลาจะเอาต้องให้ลูกศิษย์ประเคนให้ไปหยิบเองไม่ได้ี่ของที่มีอายุเช้าถึงเพลินเป็นอาหารพวกที่มีเก็บไว้ได้เจ็ดวันเป็นพวกน้ำตาลน้ำอ้อย เนยคน้นเนยใสยน้ำมั น, เ, นเก็บไม่ได้เจ็ดวันแล้วพวกที่เก็บไม่ได้ตลอดคือพวกยายาต่างๆยาสมุนไพรยาอะไรหรืออะไรที่เราคิดที่อยู่ในกลุ่มยาก็เก็บไม่ได้เช่นกาแฟนี่เข า, าถือว่าอยู่ในกลุ่มยาชากาแฟพวกมะตูมอะไรพวกนี้ ถ้าไม่ได้ผสมน้ำตาลก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันไอ้เก็บไว้ได้ตลอดรับได้ว่าเก็บไว้ได้ตลอดถ้าเป็นของที่มาผสมกับน้ำตาลเช่นกาแฟนี่บางทีเขาผสมน้ำตาลมาด้วยรับไว้ก็เจ็ดวันถ้าผสมนมด้วยก็รับได้แค่เที่ยงวันนมนี่ถือว่าเป็นอาหารเก็บไว้กิดตอนตอนบ่ายไม่ได้ นมถั่วเล้องนมวันวนมอะไรพวกนี้เก็บไม่ได้แต่ถ้าเนยคนเนยใสยได้ถ้าเป็นเนยได้แต่นมไม่ได้อันนี้เขาว่ากันไปตามที่เขาทิฏพระเจ้าท่านทรงกำหนดไว้คือโดยเป้าหมายก็คือไม่อยากให้พระเก็บสะสมของกินให้กินเท่าที่จำเป็นจะต้องกิน ไม่งั้นเดี๋ยวกินเลยมันจะหลอกให้พระคอยกินอยู่เลยกินแล้วมันจะติดแล้วเวลาไม่มีกินมันจะทุกข์ดะงนั้นต้องพยายามควบคุมไม่ให้พระมีของกินไว้มากเกินไปให้มีเท่าที่จําเป็นแล้วให้มีไว้ไม่ให้นานแต่ถ้าเป็นพวกยาเนี่ยยาที่ไปโรงพยาบาลหมอให้ยามา ยาเม็ดยาน้าอะไรพวกนี้ก็เก็บไว้ได้ตลอดชีวิตไม่มีอายุไม่มีวันหมดอายุนอกจากยามันหมดอายุต้องว่าไปตามอายุของยาเนี่ยนี่คือของสามอย่างของที่มีอายุไม่เท่ากันของที่มีอายุเพียงครึ่งวันเช้าถึงเพลนของที่มีอายุเจ็ดวันของที่มีอายุไม่มีไม่มีวันหมดอายุ เวลาภากรับกับมือแล้วเนี่ยเอาเก็บไว้ได้เอาไปเอาไปที่กุฏิได้เอาไปชันไปใช้ได้แต่ต้องตามอายุถ้าเป็นอาหารเช่นไปบินาบาตกลับมาไปชันที่กุฏิได้ชันเสร็จหลืออาหารเหลือเก็บไว้ไม่ได้แนละ้วไม่เก็บอาหารไว้ที่กุฏิมีเท่าไหร่ก็ให้ลูกสิทธิ์ให้ให้แมวให้สุนัขให้อะไรไปจะได้จบเรื่องไป เดี๋ยวเก็บอาหารไว้เดี๋ยวหมดขึ้นเดี๋ยวเรื่องปัญหาอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะเดี๋ยวจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันนะมัวแต่มานั่งคอยรักษาของรักษาอาหารรักษาอะไรต่างๆนี่ก็เลยพระพุธเจ้าเลยต้องมีกฎมีอะไรบังคับเพื่อป้องกันแม่พระไปสะสมไปยุ่งเกี่ยวกับของ กินของใช้มากเกินไปเพราะจะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติแล้วจะทำให้นั่งสมาธิสงบยากเพราะใจก็โมแต่คิดถึงเรื่องวิรักษาอาหารรักษาของ mm hmm. เลยไม่ค่อยเวลานั่งสมาธิใจก็ไม่สงบเพราะเป็นห่วงเป็นกังวลกับข้าวขอ ง, งต่างๆนังนั้สอนให้มีน้อยๆ เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ข้าวของหรืออยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจใจไม่ต้องมีข้าวของไม่ต้องมีร่างกายใจมีสติมีปัญญามีธรรมะใจก็จะมีความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ ที่ถ้ายังมีร่างกายอยู่มันก็ยังจำเป็นจะต้องมีข้าวของบ้างไว้สำหรับดูแลเลี้ยงดูร่างกายก็ให้มีเท่าที่จำเป็นไม่ให้มีมากมีมากก็เป็นภาระมากมีความกังวล ม, มากให้เอาเวลามาสร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางปวง สิ่งต่างๆในโลกนี้จะวิเศษขนาดไหนจะให้ความสุขเราขนาดไหนก็ตามสู้ความสุขที่ได้จากการที่เรามาปฏิบัติธรรมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้จะได้ความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสู้ได้และเป็นความสุขที่เป็นของเราไปตลอดด้วย จะอยู่ไปกับใจไปตลอดแต่ความสุขต่างๆในโลกนี้มันจะอยู่กับเราไม่นานมันมาแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็หมดเงินมาเดี๋ยวใช้ปั๊บเดี๋ยวก็หมดพอหมดความสุขที่ได้จากเงินก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาพอไม่มีเงินใช้ก็เดือดร้อนความสุขที่ได้จากแฟนก็เหมือนกัน เดี๋ยวก็ต้องหมดไปเดี๋ยวจะแฟนก็ต้องแก่เจ็บตายไปหรือไม่ฉะนั้นแฟนเขาเขาไปมีแฟนใหม่พอเขาไปเราก็ความสุขที่ได้จากเขาก็หมดไปแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้ไม่หมดเพราะเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาเวลาร่างกายไม่สบายนอนอยู่ในเตียงก็ยังปฏิบัติได้ ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้มีความสุขแล้วเราทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสภาพของร่างกายแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ยังก็ยังมีความสุขอยู่ความสุขนี้ไม่ได้หมดไปกับร่างกายเพราะความสุขนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นตัวผลิตตัวที่จะผลิตความสุขอันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสติเนี่ย พุโทโธพุธโทโธไปนี่แหละถ้าพุโทโธได้เนี่ยสามารถทําใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขพุโทโธนี้มีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่พวกเราหาพุโทโธกันไม่ค่อยเจอบอกให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธได้สองสามคำหายไปแล้วไปคิดถึงขนมแล้วไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ ไม่คิดถึงเงินทองคิดถึงอะไรต่างๆยุ่งไปหมดแล้วพอคิดมันก็วุ่นวายัหมคิดถึงเงินทองเดี๋ยวก็วุ่นวายคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็วุ่นวายคิดถึงร่างกายเราเดี๋ยวก็วุ่นวายร่างกายเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เจ็บนู่นเจ็บนี่ร่างกายไม่สวยก็วุ่นวายละหนังเหี่ยวหน่อยก็วุ่นวายแล้ะผมงอกนิดก็วุ่นวายละ นี่แหละนี่คือความสุขที่เราได้รับจากร่างกายได้รับจากสิ่งต่างๆนี่มันมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันเปลี่ยนไปจากเคยสวยเคยงามมันไม่สวยแล้วมอไม่สวยใจก็ไม่สุขแล้วมองหน้าีน ก, จก็จจทีไรแล้วก็เบื่อต้องไปหาหมอให้ช่วยแต่งหน้าให้ใหม่ทำคิว้วให้ใหม่ทำจมูก ทำเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เหมือนกันเองอะเดี๋ยวมันก็เสื่อมใช่ไหมเดี๋ยวมันก็แก่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยคือความความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นความทุกข์เพราะมันต้องเสื่อมมันต้องเปลี่ยนไปะต่ความสุขในใจนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเปลี่ยนแต่เราเจอ มีพุโทโธแล้วเราสามารถรักษาให้มันสุขได้ตลอดเวลาเพียงแต่พุโทโธพุธโทโธไปเท่านั้นเองท่องพุโทโธพุธโทโธไปถ้าท่องพุโทโธได้ทั้งวันนี้ใจจะสบายจะเย็นจะมีความสุขจะไม่วุ่นวายกับใครทั้งนั้นใครจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา <c oughs> เงินทองก็ไม่ต้องใช้มากถ้ามีพุโทโธแล้วใจมีความสุขก็ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ซื้อแหวนซื้อแก้วซื้อเพชรซื้อต้นหูซื้อสร้อยซื้ออะไรเยอะแยะไปหมดก็ <Yeah. S 1> ไม่ต้องมีเงินก็ได้มีเงินก็พอเพียงแต่เลี้ยงร่างกายถ้าคนมีความสง บ, บแล้วกินข้าววันละมื้อก็อยู่ได้ <Yeah. S 1> ใจไม่หิวที่เรากินเงินหลายมื้อไม่ใช่เพราะร่างกายมันหิวนะใจมันหิวพอใจหิวก็เลยให้ใหใหกินข้าวกินอาหาร ทั้งที่ร่างกายมันบอกพอแล้วอ้วนแล้วหมอสั่งให้หยุดกินแล้วแต่ใจมันหิวก็เลยไปเลี้ยงร่างกายที่ไม่หิวร่างกายก็เลยอ้วนเอาอ้วนเอาใจก็ยังผอมอยู่เพราะไม่ใจไม่ได้อาหารของใจอาหารของใจคืออะไรก็คือธรรมะเนี่ยความสงบเนี่ยนั้นเวลาหิวอย่าไปกินถ้ากินถ้าวันนี้กินกินแล้ว กินมื้อเดียวนี่พอแล้วถ้าหิวก็ต้องไปทำใจให้สงบไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธพอใจสงบแล้วจะหายหิวแล้วต่อไปร่างกายจะไม่อ้วนไม่ต้องไปฟิเตเนสไม่ต้องไปออกกําลังกายไม่ต้องไปอะไรเพราะเราไม่กินมากเกินไปทุกวันนี้เรากินมากเกินไปแต่คนหิวไม่ใช่ร่างกายแต่บป้อนผิดคนให้อาหารผิดคน ใจหิวแต่ไปให้อาหารที่ร่างกายใจมันก็ยังหิวอยู่นั่นนะกินไปได้ชั่วโมงเดียวก็หิวแล้วถ้าใจหิวก็ต้องให้อาหารใจให้สมาธิให้ความสงบให้พุโทโธให้สติพอมีสติพุโทโธพุโทโธไม่ให้คิดอะไรเดี๋ยวจิตสงบก็อิ่มขึ้นมาแล้วก็จะไม่หิวข้าว เนี่ยพวกที่เขาปฏิบัติทำพวกที่มาอยู่ที่นี่บนเขานี่กินมื้อเดียวทั้งนั้นเวลาหิวเขาก็ไปนั่งสมาธิกันที่นี่ไม่มีอาหารให้กินหลัหลงจากข้างบนนี้ไม่มีเก็บอาหารไว้ใครหิวก็ต้องนั่งสมาธิเท่านั้นเอเพราะที่หิวไม่ใช่เพราะร่างกายหิวใจหิวบางคนนี้บางองค์นี่บางทีไม่กินสามสี่วันก็มี อะจะเวลาหิวก็นั่งสมาธิก็เลยไม่ต้องกินข้าวกินสมาธิแทนเพราะผู้ที่หิวนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่หิวนี้คือใจอร่างกายมีมีสเสบียงเก็บไว้กินได้หลายวันมีไขมันมีอะไรอยู่ในร่างกายหล่อเลี้ยงไม่กินข้าวเจ็ดวันก็ไม่ตายเชื่อไหมพวกเราเนี่ยดีเสกไม่กินเจ็ดวันเนี้ยน้ำหนักจะลดไปอย่างน้อยก็เจ็กิโลนะ อยากจะลดน้ำหนักไหมเราอยากจะลดลองมาอยู่ที่แบบนี้ดูแล้แลวก็อย่าไปกินข้าวมันดื่มแต่น้ำแล้วก็นั่งสมาธิไปเวลาหิวก็นั่งสมาธิไปพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอจิตนิ่งสงบมันก็ลืมคิดถึงเรื่องอาหารมันก็หายหิวมันอิ่มมันก็สงบขึ้นมาพอมันหิวอีกก็พุทโธพุทโธไปอีก การรับนี่คือวิธีลดน้ำหนักได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ววันละกิโลนี่รับประกันได้ถ้าไม่กินเนี่ยวันหนึ่งกิโลหนึ่งนี่ลดไปได้แน่นอนไม่กินเจ็ดวันนี่ก็ลดไปเจ็ดโลนะสบายนี่เคยไปอดมากี่วันวอดได้กี่กิโล4ี่กโลก็ อ, ลอยู่กี่วัน อดสามวันห้าวันนะนะลดสี่กิโลแต่ถ้าไม่มีสมาธินี่มันทรมานมันจะอดไม่ได้เพราะใจมันจะบอกหิวหิวหิวหิ ว, หวอยู่เรื่อยนะใครอยากจะลดน้าหนักเนี่ยวิธีลดน้าหนักที่ดีที่สุดก็คืออยากกินกินมันก็ต้องน้ำหนักก็ต้องเพิ่มเลยไม่ว่าจะกินอะไรก็ตาม จะเ ล, กกนนเลือกกินนู่นเลือกกินนี่มันก็มันก็มีน้ำหนักทั้งนั้นอ่ะนี่คือวิธีแก้ปัญหาความหิวของใจใจหิวใจต้องการความสงบแต่เราไม่ให้ความสงบเรากลับไปให้ร่างกายให้อาหารกับร่างกายให้อาหารกับร่างกายเลยทำให้ใจยิ่งหิวใหญ่เพราะใจไม่ได้รับอาหาร มันยากตรงไหนให้ท่องพุทธโธคำเดียวเนี่ยให้คิดคำว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทโธไปถ้าทำได้เนี่ยใจจะลืมเรื่องอาหารแล้วใจจะอิงนใจจะสุขใจจะสบาย น, นี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระกินน้อยๆมีน้อย เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาหารของใจอาหารของใจก็คือต้องสงบต้องไม่คิดอะไรไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรถ้ามีมากก็ต้องคิดมากมีของมากมีอะไรมากก็ต้องคิดมากดูแลมากกังวลมากยิ่งกังวลก็ยิ่งหิวยิ่งทำให้ใจหิว เวลาเราไม่สบายใจเราทําอะไรส่วนใหญ่ก็ไปหาอะไรกินกันใช่ไหมกินมันจะได้สบายใจ <c oughs> มันมันก็หายความไม่สบายใจก็หายไปเดี๋ยวเดียว <c oughs> เดี๋ยวก็มาไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรให้ไม่ไม่ให้สบายใจพอมีแล้วมันก็ต้องไม่สบายใจกับสิ่งที่เรามีเพราะมีอะไรก็อยากจะให้มันดี อยากจะให้อยู่กับเราเป็นนา น, านพอมันไม่ดีหรือมันจะไปเราก็วุ่นวายใจใจก็เลยไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีแทนที่มีแล้วจะมีความสุขกับวุ่นวายใจแต่พอไม่มีแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะไม่มีอะไรจะมาให้วุ่นวายใจมีคนนั้นมีคนนี้ก็ต้องวุ่นวายใจกับเขา มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องไปวุ่นวายใจกับเขาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นตัวทำให้ใจเราวุ่นกันทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราทุกข์กันถ้าไม่มีแล้วจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยอยู่ในวงังมีเยอะแยะมีอะไรมากมายกว่าพวกเราเนี่ยมีภาษาสามลืดูเนี่ยเหมือนกับมี มีคอนโดสามสามสามหลังทงีแล้วท่านก็ท่านที่จะมีความสุขท่านกลับเห็นว่าไม่สุขท่านไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมพอจิตสงบแล้วมีความสุขมากกว่ามีคอนโดมีสมบัติมีอะไรต่างๆไม่เคยกลับไปเลยตั้งแต่ออกจากวังไปแล้วไม่เคยกลับไปอยู่ในวังองีก พอพบความสงบพบความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกนัตติสันติบาลังสุขขังเนี่ยสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขต่างๆที่ที่มีอยู่ในโลกนี้เหนือกว่าความสงบไม่มีมีความสงบนี้เป็นสุดยอดของความสุขตายได้ความสงบแล้วจะไม่ต้องการอะไร จะไม่ต้องการเงินทองจะไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องการเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นอะไรต่างๆไม่ต้องการรับรางวัลจากใครใครจะให้รางวัลใครจะให้อะไรก็ไม่ ด, ดีไม่ความสุขที่ได้จากขา้อ น, นี้มันมีความวุ่นวายใจตามมา พอได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาแล้ววันนี้วันหวยออกนี่ถ้าเกิดใครถูกหวยวันนี้เนี่ยพอถูกหวยปั๊บนี่ใจวุ่นขึ้นมานะอุ้ย uh, ทำยังไงจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนจะบอกใครดีแล้วไม่บอกใครดีถ้าบอกเดี๋ยวคนอื่นก็มาขอกันวุ่นเลยเนี่ยพอรู้ว่าเราถูกก็ตะรี่มีเงินเนี่ยเดี๋ยวคนที่ คนไม่เคยเจอกันต้องนานก็จะมาหาแล้วพี่น้องไม่รู้จักกันก็จะมาหาเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยเจอกันก็จะมาหามาแล้วก็จะมาขอเงินกันมาทำไมใช่ไหมถ้าไม่ให้เขาโดนก็ด่าอีกหาว่าใจจืดใจดำไม่รักเพื่อนรักผูงไม่รักพี่รักน้องกลายเป็นอย่างนั้นไปเวลาไม่มีเงนินไม่เห็นด่าเลย เวลาไม่มีเงินให้เขาเวลาไม่มีเงินให้เขาเขาไม่เห็นว่าด่าเลยว่าไม่รักพี่รักน้องรักเพื่อนพอมีเงินนี่พอไม่ให้เขานี่เขาด่าได้แล้ววุ่นวุ่นวายไหมไม่เป็นตัวของตัวเองจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภัยตัวเองอยู่ยังไงถึงจะปลอดภัยเดี๋ยวคนเขารู้ว่ามีเงินเขาก็จะมาปนมาจี้เราเอีก นี่แหละนความสุขที่ได้จากเงินทองแล้วมันมีความทุกข์แถมมาด้วย ท, ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแถมมาถ้าได้ตำแหน่งก็ต้องมาหวงมาห่วงกังวลอกีกว่าจะหมดเมื่อไหร่เป็นนายกนี่ตอนนี้เขาพยายามยจะไล่แล้วไหม ก็แล้วมีความสุขจากเป็นนายกหรือเปล่าทุกวันเขาถามเลยจะเลือกตั้งเมื่อไหร่จะเลือกตั้งจะมีก็ไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราเนี่ยเราไม่มีใครมาถามเราจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เราไม่มีอะไรให้เขาแล้วไม่มีใครก็จะมาหาเราหรอก อยู่คนเดียวสบายไม่มีใครมารบกวนใจถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเขาอยากจะมาเอาจากเราไปแล้วพอเสียไปก็เสียใจใช่ไหมพอได้เงินมาเดี๋ยวพอเงินหายไปไมมนมำมลเงินหมดไปก็เสียใจแล้วพอได้ตำแหน่งมาเดี๋ยวพอถูกเขาปลดก็ก็เสียใจะหมดตำแหน่งอเคยมีหน้ามีตามีลูกน้อง คอยรับใช้พอไม่มีตําแหน่งไม่มีใครก็มารับใช้เราแล้ ว, ล ว, ลวเขาก็ไปรับใช้คนที่มีตําแหน่งใหม่นี่แหละคือความสุขทั้งโลกเป็นอย่างเนี้มันจะปะปนคุกเข่าด้วยความวุ่นวายใจความกังวลความเสียใจถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้อมันก็จะไม่มีความสุขจากสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเราก็อดไม่ได้เพราะเรายังอยากมีความสุขอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้มาสร้างความสุขทางใจให้ได้ถ้าเราสร้างความสุขทางใจได้เราจะทิ้งทุกอย่างได้เราจะทิ้งความสุขที่ต่างๆที่เรามีอยู่ได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้จิตสงบนี่เงินทองนี่เรายกให้คนอื่นได้ สามีภรรยายกให้คนอื่นได้ลูกเต้ายกให้คนอื่นได้พ <Yeah. S 1> อมีแล้วมุ่นวายไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แล้วมีความสุขกว่าถ้ามีความสงบแต่ถ้าไม่มีความสงบมันจะเหงามันจะเศร้าซ้อยว้าเหวมันอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคนมาให้ความสุขด้วย ที่พวกเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่มีความสุขทางใจกันถ้ามีความสุขทางใจแล้วมันจะไม่ว้าเหวอยู่คนเดียวมันกลับมีความสุขมันกลับไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่กับคนนั้นคนนี้แล้วเดี๋ยวก็วุ่นวายพอคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ต้องเอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่พอเราไม่ให้เขาเขาก็โกรธเราอีกไม่พอใจเราอีก พวกเราตอนนี้ยงต้องมีเงินทองยังมีต้องมีตำแหน่งต้องมีรางวัลต้องมีแฟนต้องมีครอบครัวต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขในตัวเราเราไม่รู้ว่าเราสามารถมีความสุขในตัวเราได้และเป็นความสุขที่ง่ายกว่าและดีกว่าไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อข้าวซื้อของ ความสุขจากของต่างๆนี้ก่อนจะซื้อมาได้ก็ต้องมีเงินก่อนก็ต้องไปทํางานทํางานก็เนหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเพื่อจะไปซื้อของที่เราอยากได้ซื้อมาได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะซื้อของใหม่นี่คือความสุขที่เราหากันเป็นความสุขที่ยุ่งยาก เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกายความสุขทางพระพุทธเจ้านี่ง่ายมากเพียงแต่ให้คิดคำว่าพุโทโธพุธโทโธคําเดียวให้อยู่คนเดียวไม่ไปยุ่งกับใครให้อยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆพอจิตสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าแล้วพอเราได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้ไปเรื่อยๆทุกครั้งไปมันจะยากครั้งแรกเท่านั้น ก็จะได้ครั้งแรกนี่มันเหนื่อยเพราะมันมันมันยังทำไม่เป็นยังไม่รู้จักวิธีทำให้มันสงบนะเพราะเวลาพุทธโธได้สองคำเดี๋ยวก็เผลอไปคิดละไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันก็เลยนั่งแล้วไม่สงบแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปได้ไม่ให้คิดอะไรบางทีห้านาทีสิบนาทีนี่มันก็สงบละ แต่ถ้าพุโทโธสองคำแล้วก็ไปคิดเนี่ยนั่งไปชั่วโมงก็ไม่มีวันสงบอพุโทโธได้สองคำก็ไปคิดคิดห้านาทีสิบานาทีถึงรู้ว่าไม่ได้พุโทโธกลับมาพุโทโธสองสามนาทีสองสามคำอ่ะไปอีกล้ะนั่งแบบนี้มันเลยไม่เคยสงบออไม่สงบมันก็เลยเกิดหมดกำลังใจท้อแท้เบื่อหน่ายก็เลยไปหาความสุขที่เคยหาดีกว่า ไปดื่มกาแฟดีกว่าไปกินขนมดีกว่าไปดูภาพยนตร์ดีกว่าไปดูละครดีกว่าไปทำอะไรที่เราเคยทำกันแต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวทำเสร็จแล้วก็หมดไปเดี๋ยวก็ต้องทำใหม่แล้วถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ทุกข์อีกถ้าเวลาล่างกายไม่สบายก็ทำไม่ได้หรือเวลาจะดูละครไฟดับก็ดูไม่ได้ หรือจะไปเที่ยวไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไปไม่ได้มันมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมางั้นสู้มาทนทุกข์กับการท่องพุทโธดีกว่าบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆนั่งเฉยๆมันจะรู้สึกอึดอัดก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจมันใจมันปรุงแต่งขึ้นมาสร้างอารมณ์ไม่ดีให้เราเท่านั้นเองสร้างให้เรารู้สึกอึดอัด ไม่เวลานั่งพุโทโธนี่อิดอัดนะแต่ถ้านั่งดูหนังไม่อึดอนะัดนั่งเหมือนกันแต่ถ้านั่งดูหนังดูละครนี่นั่งดูได้เป็นชั่วโมงไม่อึดอัดพอให้นั่งอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่กี่คำนี่อึดอัดขึ้นมาละ้ะเพรา ะ, ะใจมันต่อต้านมันไม่ชอบมันไม่ชอบนั่งอยู่เฉยมันชอบมีอะไรทําอยู่เรื่อยมีอะไรดูมีอะไรฟัง มีอะไรกินมีอะไรดื่มมันชอบอย่างนั้นพอไม่ให้มันดูมันฟังไม่ให้มันกินไม่ให้มันดื่มมันก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาหรือเกิดอาการ ว, าว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาเราต้องพยายามอย่าไปสนใจพยายามอยู่กับคาว่าพุทโธไปบริกรรมพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปให้อยู่กับพุทโธอยู่ไปสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวมันจะหายเอง อาการต่างๆมันจะหายแล้วใจจะเย็นจะเบาจะสบายจะมีความสุขแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปกินไปไปดูไปฟังไปกินไปดื่มไปเที่ยวกัน mm hmm. เวลาอยากจะมีความสุขก็พุโทโธพุโทโธนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวห้านาทีสิบนาทีใจก็สงบมีความสุข mm hmm. แล้วต่อไปร่างกายแก่ก็ไม่เป็นไร ก็มีเราก็ยังพุโทโธได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลก็ยังพุโทโธได้ร่างกายตายไปใจก็ยังพุโทโธได้ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่มีร่างกายใจก็ยังพุโทโธพุธโทโธต่อได้คือวิธีหาความสุขที่แท้จริงวิธีถูกต้องต้องหาแบบที่พระพุทธเจ้าทรงหาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ให้เราดูเห็นชัดๆเมื่อก่อนนั้นท่านก็หาความสุขแบบเราหาความสุขจากสมบัติข้าวของเงินทองหาความสุขจากแฟนมีลูกมีภรรยาหหาความสุขจากบันเทิงต่างๆมีมีการแสดงในวังตลอดเวลาอยากจะดูละครอยากจะดูลองล้ำทาเพลงอยากจะดูอะไรก็มีจัดหามาให้ดูได้ตลอด อยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรมีทุกอย่างแต่มันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวพอผ่านไปมันก็หมดแล้วต้องมีใหม่เมื่อคืนนี้จัดงานเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องจัดงานใหม่ถ้าไม่จัดงานก็จะรู้สึกว่าเหวเงียบเหงาเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บมันก็จะไม่สนุกละเวลาแก่เวลาเจ็บ พระพุทธเจ้าเห็นว่าต่อไปจะไม่มีความสุขตอนนี้มีความสุขได้ตอนนี้ยังเป็นหนุ่มแต่ต่อไปพอแก่แล้วนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะทําอะไรก็ไม่มีความสุขแล้วทาให้พระพุทธเจ้าเลยต้องคิดหาหาวิธีอื่นหาความสุขก็เห็นพวกนักบวชก็เลยถามว่าเขาทําเขาหาความสุขอย่างไร เขากเหาความสุขจากการทําใจให้สงบนั่งสมาธิเข้าฌานไปขอนั่งสมา a t h เข้าฌานใจก็สงบมีความสุขพระเจ้ า, าก็เลยอยากจะลองแบบนี้ดูก็เลยรอจังหวะพอมีจังหวะก็เลยไปเลยบอกใครไม่ได้ขอบอกเขาก็ไม่ให้ไปกันเขาจะหาว่าบ้าคนอยู่ในวังแล้วไปไปเป็นขอทานไปเป็นนักบวชมีที่ไหน นักบวชสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คนเขา้าขาลบนักถือยกย่องแต่สมัยก่อนนี่เขาก็เหมือนกับเข็นเหมือนกับเป็นพวกขอทานพระเจ้ารู้ว่าถ้าไปบอกก็จะไม่ได้ไปก็เลยต้องหนีไปหนีไปแล้วก็ไปหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบก็มีความสุข ความสุขที่สามารถมีได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็สามารถ ม, ม, มีความสุขได้ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็มีความสุขได้ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็มีความสุขได้ร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็มีความสุขได้นี่แหละคือวิธีมีความสุขกันได้ตลอดเวลา คือวิความสุขทางใจเนี้ยเราควรที่จะมาฝึกกันมาหัดทํากันเพราะต่อไปร่างกายเราจะทําไม่ได้จะหาความสุขให้กับเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีความสุขตอนนี้นเราอยากจะคิดฆ่าตัวตายกันนะสมัยนี้คนคนที่เคยมีความสุขตอนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยพอเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถมีความสุขได้มีแต่ความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะหนีจากความความเจ็บความปวดของทางร่างกายอยู่ไปก็มหาความสุขไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาเลยมีการออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้บางประเทศเขาออกกฎหมายได้แล้วว่าถ้าอยากถ้าอยากจะตายก็บอกหมอ แล้วเขาจะตรวจดูว่าเป็นอนย่างไรงถ้ารักษาไม่หายแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเสียสติเขาก็จะช่วยทำให้ตายได้แต่การเข้าตัวตายตามหลักของศาสน า, าพุทธก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพราะปัญหามไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหามันอยู่ที่ใจที่ไม่มีความสุขและไม่รู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย มันก็เวลาตายไปใจมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะไปเกิดใหม่อีกไปเกิดใหม่เพื่อจะได้มีร่างกายอันใหม่นี้มาเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกแล้วก็พอเกิดมาพอโตขึ้นมาก็ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขไปเที่ยวกันไปกินไปเดินไป ด, ไปดูไปฟังอะไรกันทำไปจนกว่าจะถึงวันที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่สามารถหาความสุขได้ มันก็จะมาเจอปัญหาเดิมแล้วก็จะมาแก้ปัญหาแบบเดิมก็คือฆ่าตัวตายใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องมาทําใจให้มีความสุขเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข พอเราพุโทโธเป็นเราทำใจให้สงบเป็นต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาร่างกายแก่เราก็ยังมีความสุขได้ดูพวกหลวงปู่หลวงตาที่อยู่แปดสิบเก้าสิบปีหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสใจสงบนี้จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บทางของทางร่างกายร่างกายจะเจ็บมันก็ไม่ได้มาทำลายความสุขของใจ ใจยังสุขยังสบายเหมือนกับไม่ได้เจ็บอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดกันนะเพราะว่าต่อไปเราต้องแก่กันต้องเจ็บต้องตายกันเราจะแก่จะเจ็บจะตา ย, ยาแบบทุกข์หรือแบบสุขดีถ้าอยากจะแก่เจ็บตายแบบสุขก็ต้องหัดมามาหัดทาความสุขทางใจกันมาฝึกทำใจให้มีความสุขกัน เพ่อเราจะได้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปแล้วเราจะไม่กังวลกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กังวลกับความแก่ไม่กังวลกับความตายพวกเรานี่ตอนนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ใจก็กังวลกันละเวลาเห็นคนแก่ทีก็ไม่สบายใจเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจเห็นคนตายก็ไม่สบายใจ ทั้งทั้งที่ตัวเองยังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ตายก็กังวลล่ะ ว, วิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนานาแทนที่จะมีความสุขกับไม่มีความสุขทั้งทั้งที่มีร่างกายที่ยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่แต่ถ้าเรามาทําใจให้สงบได้นี่เราจะไม่กังวลกับความแก่ความเจ็บความตายแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไป เพราเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเรามีพุโทโธเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วเราต้องการความสุขแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็สงบมีความสุขได้พยายามทาไปเถิดของดีของวิเศษจริงๆไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีกว่าสติ สติคือพุทโธเนี่ยเวลาเราท่งพุทโธนี่เป็นเวลาที่เรากำลังสร้างสติขึ้นมาสติเป็นตัวที่จะทำให้ใจเรานิ่งทำใจให้เราหยุดคิดได้ถ้าเราไม่มีสติมันจะไม่หยุดคิดมันจะคิดแล้วพอคิดแล้วมันก็จะอยากมันจะโลภแล้วก็จะโกรธเวลาโลภเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็โกรธ แล้วทำให้ใจวุ่นวายไปหมดโกรธก็ต้องไปทำร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นแล้วเดี๋ยวก็ต้องถูกเขาทาร้ายกลับตีกันไปตีกันมาเพราะควบคุมใจไม่ได้ควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้ามีสติแล้วจะควบคุมอารมณ์ต่างๆได้อารมณ์โลภโกรธหลงจะไม่เกิดอารมณ์ดีใจเสียใจจะไม่เกิดอารมณ์วุ่นวายใจเดือดเนื้อร้อนใจ เศร้สรอยงอยเหงาอะไรต่างๆนี้จะไม่เกิดถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดไว้ถ้ามีพุโทโธพุโทโธอยู่ไปเรื่อยมันจะไปคิดเรื่องที่ทําให้มันโกรธไม่ได้ไปคิดในเรื่องที่ทําให้มันโลบมันอยากไม่ได้พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธจะกดมันจะกดอารมณ์ต่างๆไว้อัน น, นี้ก็เป็นขั้นต้น การใช้พุทโธนี้เวลาเราใช้จิตก็จะสงบมีความสุขเวลาเราไม่ใช้เดี๋ยวถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ Ps, ้นมาได้พอเกิดความอยากมันก็ทำให้เรามีอารมณ์เสียได้หุดหดลำคานใจขึ้นมาได้สตินี้ไม่สามารถกำจัดความอยากได้ถ้าอยากจะกำจัดความอยากนี้พระุธเจ้าบอกต้องใช้ปัญญา ปัญญาคืออะไรคือความรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่เราไม่ควรที่จะไปส่งเสริมไม่ควรไปทาตามเพราะทำแล้วมันจะไม่หมดทำแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วจะอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆได้คืบก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาแล้วพอไม่ได้ก็จะเสียใจหรือถ้าได้มาแล้วเสียไปก็จะเสียใจ แล้วถ้าตายไปความอยากมันก็จะพาเราไปเกิดใหม่อีกนี่คือปัญญาให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากนี้ถึงแม้ว่าจะได้ความสุขแต่ความสุขเหมียวเดียว <c oughs> เวลาได้อะไรก็ดีใจสุขใจเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ใหม่หรือของที่เราได้มามันหมดไปก็อยากจะได้ใหม่ เวลาของที่เราได้มาจากเราไปเราก็เสียใจทุกข์ใจให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากนี้จะทำให้เราต้องทำอยู่เรื่อยๆเหมือนคนที่สูบบุหรี่ใช่ไหมเวลาอยากสูบบุหรี่ก็สูบพอสูบหมดแล้วเดี๋ยวก็อยากสูบอีกแล้วเวลาไม่ได้สูบก็หงุดหงิดลำคาญใจอารมณ์ไม่ดีถ้าอยากจะเลิกก็คือต้องไม่สูบ เวลาอยากสูบก็อยากไปสูบถ้าเราฝืนเราทนได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังถ้าเราทนไม่ได้เราต้องอาศัยธรรมะคือสมาธิมาช่วยถ้าเรามีสมาธิเราจะทนได้เวลาจิตอยากอะไรแล้วใจเราสั่นเราก็สามารถสั่งให้มันสงบได้ถ้าเราเคยทำสมาธิเป็น พอใจไม่สงบแล้วก็สั่งให้มันสงบด้วยใช้คำพุทโธพุทโธไปพุทโธไปเดียวๆความสั่นที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป mm hmm. เราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากได้ mm hmm. เราก็เลิกสูบบุหรี่ได้เลิกกินกาแฟได้เลิกดื่มกเลิกดื่มสุราได้เลิกไปเที่ยวได้เลิกช็อปปิ้งได้เลิกมีแฟนได้เลิอกอะไรได้ความอยากต่างๆที่มันจะเกิดนี่ต่อไปเราเลิกมันได้หมด mm hmm. ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นโทษไม่เป็นคุณทำไปแล้วจะทำให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจอย่าไปทำดีกว่าทำแล้วก็ต้องทำอยู่เรื่อยๆต้องอยากอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเราตัดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเราไม่มีอะไรอยากได้เราไม่ต้องการอะไรร่างกายเราก็ไม่ต้องการ ความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องการเพราะเรามีความสุขจากการทำใจให้สงบก็พอแล้วนี่คือวิธีที่จะทำให้เราหมดความอยากต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาสอนคือความจริงนี่ปัญญาก็คือความจริงให้รู้ว่าธรรมชาติว่าความอยากนี้เหมือนเหมือนไฟอย่าไปเล่นกับไฟไฟมันร้อน พอเราอยู่ใกล้ไฟไฟมันจะเผาเราแต่เรามีความอยากแล้วความอยากมันจะเผาใจเราจะทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขพออยากได้อะไรแล้วมันกระวนกระวายกระสับกระสายงดหงิดลำคาญใจพอได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกให้เห็นโทษของความอยาก ก็จะได้ไม่ไปทําตามความอยากจะฝืนความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิมีกําลังถ้าไม่มีสมาธิใจมันสัน่นใจมันวุ่นวายใจมันหงุดห ง, งิดลาคาเดี๋ยวมันทนไม่ไหวเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําตามความอยากจนได้นี่ก็คือเรื่องของวิธีที่จะทําให้ใจเรานี้มีความสุขไปตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องใช้พุทธโธถ้าเราถ้าเราสามารถกำจัดความอยากหมดแล้วเราก็ไม่ต้องพุทธโธใจเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขเพราะไม่มีความอยากมาสร้างความลำคาญใจให้กับเราไม่มีความอยากมาสร้างความหงุดหงิดสร้างความเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเหวให้กับเราทำให้เราต้องไปหาคนนั่นคนนี้มาทำให้เราหายจากความว้าเหว แต่พอได้คนนั้นคนนี้มาแล้วเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เขาเปลี่ยนไปก็เสียใจอีกเวลาได้เขามาใหม่ๆเขาก็ดีแล้วพออยู่กับเขาไปสักพักเดี๋ยวเกิดเขาเปลี่ยนไปเคยเอาใจเราก็ไม่เอาใจเราเราก็จะเสียใจอีกหรือเขาทิ้งเราไปเขาไม่อยากจะอยู่กับเราเ็าเบื่อเราเขาทิ้งเราไปเราก็กลับมาว้าเวเหงาเหมือนเดิมอีกก็ต้องหาคนใหม่ หากีคนก็เหมือนกันหามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากเป็นก็ต้องจากตาย <Yeah. S 1> เวลาจากกันก็ไม่ดีจากกันก็เสียใจเวลาอยู่ด้วยกันก็กังวลกังวลว่าเขาจะจากเมื่อไหร่เขาจะไปเมื่อไหร่ <Yeah. S 1> เขาจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่ <Yeah. S 1> มันก็มีเรื่องให้กังวลอยู่ตลอดเวลา <laughs> ถ้าเราไปทำตามความอยากแต่ถ้าเราไม่เอา ทำตามความอยากอยากได้อะไรก็บอกไม่เอาดีกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่าทําใจให้สงบดีกว่าดีกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าดีกว่าได้แฟนดีกว่าได้เงินดีกว่าได้ไปเที่ยวดีกว่าได้ไปดูหนังฟังเพลงดีกว่าไปทําอะไรต่างๆไปนั่งทําใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบแล้วก็หาอยากความอยากก็จะหมดไปนี่คือวิธี ที่พระเจ้าได้ส่งคนพบในการหาความสุขเมื่อก่อนท่านก็หาความสุขแบบพวกเราหาความสุขจากเงินทองหาความสุขจากอะไรต่างๆแต่พอเห็นว่าต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้จะจะต้องคิดค่าตัวตายอยู่ไปก็ทรมานใจอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่รู้อยู่ไปทําไมแต่ไม่รู้ว่าถ้าค่าตัวตายเดี๋ยวตายไปก็ต้องกลับ เกิดใหม่เพราะตัวที่ทำให้ทุกข์ทรมานตัวที่ทำให้มันเกิดใหม่ก็คือตัวความอยากนี่ฉั้นต้องฆ่าตัวความอยากอย่าไปฆ่าร่างกายฆ่าร่างกายไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือความอยากถ้าฆ่าตัวความอยากได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปไม่มีความรู้สึกไม่ดีต่างๆในใจจะไม่เกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเนี่พวกเราจะไม่มีวันรู้กันพวกเราก็จะทำแบบนี้ทำแบบที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้หาหนูน่นหาหนี่มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาล่องห่มล่องไห้กับสิ่งที่เราหามาเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากเราไปแล้วก็หาใหม่ไม่เข็ดเขาจากเราไปเดีวก็ไปหามาใหม่ ถามาใหม่เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็จากเราไปอีกก็เสียใจใหม่เสียใจไม่รู้กี่ร้อยรอบมันไม่เข็ดจําไม่ได้ลืมไปพรเวลามันเวลามันเหงาเวลามันอยากได้อะไรมันคิดไม่ออกมันคิดเพียงอย่างเดียวว่าต้องต้องเอาให้สิ่งที่เราอยากได้ให้ได้มันจะดีหรือไม่ดีมองไม่เห็นน่ะเห็นว่ามันดีอย่างเดียวเห็นว่าได้มันมาแล้วจะมีความสุขอย่างเดียวแต่ไม่เห็นว่า มันเป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็จากเราไปาเราตึงต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์อย่างพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราถ้าเราเชื่อแล้วเราลองปฏิบัติตามลองไปหัดพุทโธพุทโธกันลองนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วจะมีความสุขทางใจแล้วจะมีกำลังสู้กับความอยากต่างๆได้ ก็ขอให้เรามีความนอบน้อมในพระคุณอันยิ่งใหญ่มีความสำนึกในคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้พวกเราจะต้องอยู่ในกองทุกข์กันไปเรื่อยๆทุกข์เพราะความอยากของเรานี้เองเพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรานี้เท่านั้นเองตอนนี้เรามีคนมาบอกเราแล้วมีพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้เราออกจากกองทุกข์ี้ได้ ด้วยการหยุดความอยากด้วยการสู้ความอยากด้วยการใช้สติใช้ปัญญาทำใจให้สงบแล้วเราจะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปใจเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บอีกต่อไปก็ <Yeah. S 1> คิดว่าพอสมควรแกเวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปูราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ภรโสยถาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายยสุขีทีขาโยโวะอภิวาทานศีริสะนิจจังุทาปจายโนจตารโรธรมาวะทานติอายุวันโนสุขัง อ่าลา ว, วันนี้ทาง Facebook YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook สูงสุด475ค่ะม YouTube มี154วิทยุมี15ค่ะอ่าวันนี้600กว่าเนปะ็น600กว่า644 644นะ มีใครอยากจะถามอะไรไหมทางนี้อยากจะถามใช่ไหมว่าผพูดดังๆหน่อยจะได้ยินเสียงถามท่าตอาจารยคือว่าเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์ะสนไว้ว่าเวลาพิจารณาอะไรเนี่ยหรือไปคือเวลาเราพิจารณาอะไรเนี่ยนะคะหรือเรื่องที่เกิดขึ้นเราไปเห็นอะไรมาหรือหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยเอ มันเป็นการฝึกหัดทำแบบฝึกหัดแต่ว่ายังไม่ทันเข้าห้องสอบต้องสอบจริงหรือเมื่อตอนต้นปีต้นเดือนนี้ดิฉันก็โยมก็ได้ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะฮะซึ่งนอนนอนเศร้าอยู่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุอยู่สามปีนะฮะเหมือนผักมันยากาอ่ ที่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเขาอย่างนั้นนะคะนี่ก็เขายัางดีอยู่ก็พอเห็นปั๊บนั่นมันเข้ามาในจิตเลยว่าอ๋อที่แบบแก่เกิดแกเจ็บตายแล้วไอ้ตรงคําว่าแก่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราเห็นแม่แก่แม่แก่อย่างเนี้ยเขาเขาแก่แล้วก็ก็ไปเลยนะฮะอันนี้แก่เซร้าเหมือนกัวอย่างกับตุ๊ ก, กตาที่มันชำรุดแล้วแต่พยุงให้มันอยู่อะ่ะ เพราะเาเสียบคออาหารเนี่ยนะฮะแล้วเสียบออกซิเจนอยู่สามปีมาแ ล, แล้วแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะจะอาออกเพ อ, ออกไม่ได้ไงฮะ mm. อันนี้ก็ก็คิดข็ไม่ทันทีตอนนั้นว่าอันนี้จังทุกครั้งอนันตาตา้วก็ยืนพิจารณาไปจับเขานะฮะ mm. เขาก็ยังยังมีความอุ่นมีอะไรเหมือนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยอันนี้ยมอยากจะทราบว่า อันนี้เวลาเรายืนพิจารณาแล้วเห็นแลเราเราเห็นถึงความแก่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะถ้าอยู่ถึงเก้าบหอย่างนั้นแหละคงไม่รอดนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสภาพอื่นก็ไม่ทราบหรือจะเป็นอย่างนั้นก็อะแล้วแต่แต่นี้อันเนี้ยมันเป็นการฝึกจิตฝึกการปฏิบัติธรรมแบบแบบฝึกหัดใช่ไหมคะฝึกดูไปก่อน ว่าเราเรารับได้หรือเปล่าถ้าเราล้งไม่ได้เราอาจจะล้องให้โฮยืนแล้วก็ไปสั่นอะไรแกว่าตื่นขึ้นนั้ น, นอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นฝึกจริงเนี่ยอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าฝึกจริงนะ่ก็คงเป็นตัวเราเองใช่ฮะว่าเราอยู่ในสภาพที่นอนอย่างเงี้ยเหมือนผักเหมือนผักปลูกแบบไฮโดรพอนิคอะนะคะอยู่ในห้องนอนอะแต่มันก็ มันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนั้นโดยถ้าเผือมีอาหารมีน้ำมีอากาศใช่ไหมคะแล้วยังไงอยากถามอาจารย์ว่าอันเนี้ยคิดถูกเปล่าค ะ, ะคือวิธีคิดมันก็ต้องคิดว่าแล้วใจเราจะเป็นยังไง ใจเรายังสามารถมีความสุขเหมือนตอนที่เราไม่แก่ได้หรือเปล่าต้องคิดแบบนี้ถ้าเราทําสมาธิได้เราก็จะรู้ว่าแก่ก็แก่ไป ส, เสไิเราก็ยังทําสมาธิได้เราก็ยังทําใจให้สงบได้แล้วเราคงไม่ปล่อยให้มันอยู่ในสภาพแบบนี้คือเราคงจะไม่ให้คนเขาม า, ายืดยืดชีวิตของเราโดยผิดธรรมชาตินจะไม่ให้เขามา ใช้สายยางมาอะไรถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเพราะเราไม่เดือดร้อนถ้าใจเรามีความสงบที่พวกเขาทำกันนี้เพราะคนดูแลก็เดือดร้อนคนที่ถูกดูแลก็เดือดร้อนก็เลยสมยอมกันไปใช่เขาก็สมยอมกันไงคิดว่าอ่ะยังไม่อยากตายถ้ายังเขาให้สอดสายยางอยู่ได้ก็อยู่ไปแบบนี้อะไร ก็แล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อต้านไม่ห้ามเนีแล้วหมอเขาออกไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการฆ่าความจริงไม่ได้ฆ่าหรอกเพราะว่าเป็นการหยุดหยุดการหยุดการให้อาหารหยุดให้ลมหยุดให้เขาอยู่ของเขาเองตามธรรมชาติของเข า, าหยุดหยุดความช่วยเหลือหยุดความช่วยเหลือที่ไปฟังที่ประชุมนะคะคือเขาแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง ในกรรมเนี่ยนะค hmm. เขาก็แสดงพวกที่อายุเจ็สิบกว่าเนี่ยบอกว่า hmm. นอกจากจะด่ายมบัติคือท่านพินัยกรรม hmm. ลูกทุกคนเลยเท่าเสียงกันแล้วจะไม่ทิ้งฐาละใ้้เด็กเนี่ยต้องตอีกันตายตายข้าม hmm. แต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองคือไม่ให้ตัวเองต้องไปทุกข์ทรมารโดยใช่เหตุโดยโดยที่พอถึงเวลานั้นแล้วเราสั่งไม่ได้ค่ะหมอไม่รับคําสั่ง พเพราสติสพัชัญญาไม่อยู่แล้วอจะไปบอกแท่งไม่รับรักษาไม่ได้เพราะเขาก็อปัน้นหัวใจเสร็จเขาเ ป, ขเขาปล่าเสียเปอรเซ็นต์เลยแต่ถ้าเผื่อเรามีมีภูมิใจกรรมชีวิตเอาไว้เนี่ยอลูกหลานก็จะไปให้หมอแล้วหมอก็ต้องเยิงออกแล้วอันเนี้ยอันนี้ก็อเป็นเส้นที่ได้รับรับแม่กำมาเพราะนัยองก็เห็นว่าที่เขาแนะนํามาเนี่ยมัน มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าไปไปเห็ น, นะะเนีไยฮะที่เห็นว่าทําไมนะเราก็ไม่ยอมไม่คือเรายอมตายนะฮะเมื่อเราตายเราตายรู้ว่าจะต้องตายแต่ว่าทําไมเขาไม่ยื้อเราพ่าเขาเขาเป็นธรรมชาติของเขาไงว่าเขามีหน้าที่รักษาเขาต้องดูแลรักษาให้สุดกําลังของเขาถ้าเขาไม่ทํำเขาอาจจะถูกตําหนิดได้ว่าเขาไม่ทําตามหน้าที่ของเขาดังนั้นเขาก็ต้องทําตามความรู้ความสามารถของเขา ถ้าไม่ทําเดี๋ยวถูกจับสอบได้อาจจะถูกตัดเงินเดือนอาจจะถูกโยกย้ายตําแหน่งอะไรได้เขาก็ต้องทําตามหน้าที่ของเขาไปแต่เราช่วยเขาได้ด้วยการทําหนังสือบอกเขาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอ่าจะไม่ต้องการรักษาขนาดนั้นอ่าหรือมีพรั่งคนหนึ่งฉลาดมันมันมันสักไปที่หน้าบ อ, อกว่าทำตามหัวใจพอ เอาหัวใจวายหมอจะมาปั๊มโอเคไหมทำปั๊มหัวใจหมอเลยชะงักเลยไม่กล้าทําเพราทําเดี๋ยวผิดอ่ะก็เจ้าของก็สั่งไม่ให้ทำแล้วไปทํำนี่เดแล้วก็ไปตายเพราะไปปั๊มหัวใจเขาตายนี่หมอกับถูกเดี๋ยวญาติพี่น้องโดนฟ้องได้ถูกญาติพี่น้องฟ้องได้หมออะไรไม่รู้จะทําอะไรมันบอกว่าปั๊มหัวใจลิวนอตวิชาสิเทนเขียนปากมันมันสากไว้เลยอะ เพื่น<า>พอ น, น, น, นจงพอเห็นเนี่ยก็ยืนไปเห็นจริงๆนนนนเนี่ยนะสองสิบที่แล้วเนี่ยก็เห็นอ๋อทําไมเขาถึงบอกเราว่าไปทําเสียเพราะว่ามันไร้ายประโยชน์อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์มันเกี่ยวกับอะไ ร, ไรเป็นเป็นตุ๊กตานอนแบบุ๊ตานี่รู้หรอือยังเป็นเขาเรียกเจ้าหญิงนิชาาอแต่คนรักเขาก็อยากจะให้เราอยู่ไป็นนาน เขาไม่อยากจะมีความรู้สึกว่าทอดทิ้งกันอะไรถ้ายังช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปจนกว่าช่วยไม่ได้ถ้าเจ้าตัวรู้จักวิธีทำสมาธินัก็อาจจะดีขึ้นนะฮะเจ้าตัวก็ไม่เคยหรือเปลยิ่หนักไปหัอเจ็บไข้ได้ป่วยก็สติสตังไม่มีเลยก็มีอย่างเดียวอยากจะให้หายก็ต้องยอมให้เขารักษาใช่ไหมปล่ายไหลได้อืม าาคือเรียนถามเพื่ชื่อคุณแม่คุณแม่เป็นออสไซเมอร์แต่ร่างกายพูดไกลๆห่อยจะได้เสียงดังเลยด้วยร่างกายคุณแม่แข็งแรงมากค่ะแต่คุณแม่เป็นออสไซเมอร์ทีนี้เราเองก็ต้องทํางานเพื่อมาดูแลคุณแม่ทีนี้จ้างคนมาดูแลก็ไม่ดีถ้าเราดูแลเวลาออกไปทํางานจิตใจก็ไม่สงบค่ะท่านจะ จะทำยังไงให้ปล่อยวางตรงนี้ได้ครับเมื่อกี้นั่งฟังว่าพุทโธก็ก็เคยทำแล้วแต่ก็อดไม่ได้ที่จะกดดูกล้องที่เราติดไว้ว่าเขาดูแลดีหรือเปล่าซึ่งเขาดูแลไม่ดีค่ะก็เราก็ต้องใครว่าเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราอยากจะดูแลก็ต้องเราจากงานไปแต่ถ้าเราเราออกจากงานไม่ได้ก็ต้องอาศัยจ้างคน ถ้าไม่ดีก็หาคนเปลี่ยนคนไปเปลี่ยนไ ป, เ, <อ>ไปเรื่อยๆเพราะคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะดีบางคนอาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะถ้าเราสามารถแอบดูได้ว่าเขาเขาดีไม่ดีแต่คิดว่าถ้าถ้าเราอยากจะมาดูแลเองก็ได้ถ้าเราคิดว่าเร า, เราไม่ต้องทํางานแต่เรามีกําลังดูแลแล้วเปล่าถ้าเราไม่ทํางานเดี๋ยวเราไม่มีเงินมาดูแล ก็เคยไม่ออกไปทำงานจนเงินหมดก็ต้องออกไปทำงานนั่นแหละนั้นก็ต้องใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินใจแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจหรือไม่รู้สึกว่าเราไม่ไม่ดีอะไรอย่างงั้นว่าเราถูกเหตุการณ์บังคับให้มันทาตามตา ม, ตามเหตุการณ์ไป <c oughs> คือปล่อยวางด้วยอยู่ที่เหตุดูที่เหตุผลด้วยอ่าค่ะถ้าต้องถ้าไม่ไปทางานก็ยิงย่งยากใหญ่ ไปดูแลถ้าไปทำงานอาจจะไม่ได้ดูแลดีเท่าที่เราดูแลแต่ก็ถ้าเขาดูแลแล้วยังประทับประครองให้ได้ก็โอเคจะไปหวังอะไรมากใค่ไ่ะก็อย่างนี้ล่ะก็ถือว่าเป็นกรรมของแม่ไปก็แล้วกันส่วนที่ต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ ถ้าถาไม่ถึงกับตบตีแม่เราแล้วก็ทําอะไรไม่ดีเา็ทีรอบนี้ครับมีบางทีมันโกรธบางทีมันโกรธําคาญเขาแค่ดูแลแบบไม่ดีเท่าไหร่แต่ไม่ถึงกับตบตีทำร้ายแม่นี่มันก็โอเคเพหายากมากคนที่ดูแลบางทีเขาก็มีอารมณ์พอบอกให้นอนไม่ยอมนอนก็เลยตีอะไรบอกให้กินไม่กินก็เลยเตะอันนี้ถ้าเจอแบบนั้นก็ก็ควรเปลี่ยนคนค่ะค่ะโอเคเอ้ ขอบพระคุณครับแต่อย่าไปคิดอะไรให้ทุกไปเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปเท่านั้นเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างล่างช่วยปิดเสียงหน่อยนะเพราะเสียงมันรบกวนคนอื่นเขาปิดได้ไหมคะปิดเสียงหน่อยนะ ฟังที่นี้เสียงนี้ก็เหมือนกันนะอันนั้นก็เสียงเหมือนกันเสียงอถามถามาได้ก็ก็ปิดเสียงนะอย่าอย่าให้มันเสียงดังทั้งนึงเสียงดังแล้วมันรบกวนมีอะไรอยากจะถามไหมทั้งนี้ไม่มีอะ แต่แม่ก็อยากเจอถามคะ่ะ้ํามสิ้ํามได้ไม่เป็นไรหรอกจะได้สบายใจเผื่อจะสบายใจขึ้นดี ด, ดังไงยแกมีลูกชายค่ะแล้วก็เคยสิอยาเสพสิดค่ะแล้วก็เอาไปรักษาหายแล้วก็กลับมาช่วยงานที่บ้านหนูฐานอาหารนะคะก็เป็นเด็กดี มาตลอดนะคะประมาณสักปีจะอยู่ดีๆก็กลับไปติดยาอีก น, นะคะแม่ก็ทุกข์ใจก็ทุกย่างว่าแล้วทุกข์ใจแล้วเป็นทำให้เขาไม่ติดได้หรือเปล่าถ้าทุกข์ใจแล้วเขาไม่ติดได้ก็ดีก็ทุกข์ไปแต่ถ้าทุกข์แล้วเขาไม่ติดทุกข์ไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องมองความจริงนะว่าใจเขาอ่อนใจบางเขาเวลาเขาเข้มแข็งก็ก็สู้ได้ พอเวลาใจเขาอ่อนฟังวิธีเขามีอารมณ์ไม่ดีมีความทุกข์ใจเขาก็เลยอาศัยการเสพยาเป็นวิธีแก้ความทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาทางถ้าเราอยากจะช่วยเขาถ้าเขาอยากให้เราช่วยก็คือจับเขาไปอยู่วัดเสียถ้าเวลาติดยาก็ให้เขาหนีออกจากกลุ่มคนอย่าให้เขามีโอกาสซื้อยามาเสพ ถ้าเขาอยู่ในที่ที่ไม่มียาเสพเดี๋ยวเขาก็ต้องใช้กำลังใจสู้กับมันแล้วเดี๋ยวมันก็เขาเขาเคยเลิกมาครั้งหนึ่งเขาก็เลิกได้ถ้าเราจะช่วยก็ช่วยได้แค่นี้อาจจะให้เขาพาเขาไปอยู่ที่ไม่มีเช่นไปอยู่วัดโดยเฉพาะวัดที่เขามีการบำบัดยาวัดถ้ากระบอกอย่างเงี้ยถ้าก็ยอมไปเดี๋ยวเขาก็เลิกไดก้ติดได้ก็เลิกไดอก้อันนี้เราต้องคุยกันดีด คุยถามกันอย่าไปบังคับกันพูดด้วยเหตุด้วยผลว่าติดแล้วมันมันดีแร้วไม่ดีอย่างไรเลืิกแล้วมันดีไม่ดีอย่างไรต้องให้อยู่ที่ความสมัครใจของเขาพอาเราไปบังคับเขาเขาจะโกรธเรา อ, อย่างั้นต้องพูดคุยกันดีๆถามว่าอยากจะช่วยแต่ต้องต้องช่วยแบบนี้จะเอาไหมถ้าเขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่ก็ต้องช่วยช่วยไม่ได้อก็ต้องปล่อย เราไปทุกข์เราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเรื่องของความอยากเนี่ยพอไปติดยานี่มันอยากอยากระดับสูงสุดและแรงที่สุดเลิกยากที่สุดก็คืออยากติดยาเสพติดเนี่ยอยากอย่างอื่นยังพอเลิกได้ แต่ยาเสพติดนี้มันทรมานมากเวลาที่อยากแล้วมันไม่ได้เสพมันก็เลยทนไม่ไหวคนยอมยอมตายยอมเสพยาจนตายเนี่ยอย่างนี้ที่เมืองนอกเนี่ยคนติดยาแก้ปวดกันก็ใช้ยาเสพติดเวลาปวดทางร่างกายก็ใช้ยาเสพติดมายาพวกพวกอะไรฝิ่นพวกอะไรมอร์ฟีนพวกเฮโรอีนอะไรนี้พอมันเสพไปแล้วมันทําให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บของทางร่างกาย แต่มันทำให้ติดเวลาหมดลทิยาก็อยากจะเสพอีก <Yeah. S 1> พอเสพมากๆร่างกายรับไม่ไหวตาย <Yeah. S 1> มันก็คิดเสียว่าเกิดมาทุกคนก็ต้องตาย <Yeah. S 1> อันนี้เป็นวิธีของเขาวิธีอยู่ตายของเขาเขาเคยทำอย่างนี้มาในอดีตชาติก่อนก็เคยติดยา ม, มาก่อน <Yeah. S 1> เคยแก้ปัญหาแบบนี้มาก่อน เวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายก็หาวิธีหายาแก้ปวดหาอะไรมาเสกแล้วมันก็ติดนิสัยมาพอมาถึงชาตินี้ก็จะทําอย่างนีง้ถ้าชาติก่อนเคยฝึกนั่งสมาธิมันก็จะใช้สมาธิเป็นนามาเกิดชาตินี้มันเจ็บมันก็ใช้สมาธิแก้ดังนั้นอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาอยากจะเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาเขาหรือเปล่าบอกเขาเนี่ยมามาอยู่วัดก็ได้เนยมาฝึกสมาธิ เราจะไม่ต้องไม่ต้องติดยาแล้วก็มีคนนึงติดการพนันจนท่านเป็นหนี้สินลงลังมากนที่สุดพ่อแม่ก็ขอร้องว่าเอาไหมมาบวชไหมเขาก็ตัดสินใจบวชเอนนี้ก็มาบวชแล้วเขาก็แฮปปี้สบายไม่ต้องเล่นการพนันไม่มีปัญหาแต่ตัวผู้ที่มีปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ คนอื่นทำทำให้เขาไม่ได้ตัดสินใจให้เขาไม่ได้แล้วเพียงแต่มีสนับสนุนเขาถ้าเขาต้องการที่จะบวชจะยินดีสนับสนุนเออแต่ถ้าเขาไม่บวชก็ไม่รู้จะทํำยังไงะก็ลองคุยกันดูปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเราอาจจะให้เงินเขาเนะี่ยพอเขามีเงินเขาก็ไปซื้อยาเสพ ถ้าเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่มีไม่มีเงินไปซื้ อ, อยาเสพแต่เขาอาจจะไปขโมยเงินก็ได้แต่เขาติดมากๆอยากมากๆมกัน ก, ก็ต้องยอมต้องปล่อยไปว่ามันเป็นกรรมของเขาเราก็ให้ให้อาหารเขาก็ให้ที่อยู่เข้าไปให้ปัจจัยสี่แต่อย่าไปให้เงินให้เงินก็จะเอาเงินไปซื้ อ, อยาเสพติด ไม่ให้เงินก็ต้องคอยซ่อนเงินไว้ดีๆอย่าให้เขาขโมยเงินอ่าถามต่อค่ะขอกลาบถามเพิ่มค่ะสดมนให้คุณแม่ฟังทุกคืนแล้วก็มีคำแปลด้วยคุณแม่บางครั้งก็นอนฟังดีแล้วก็ยกมือสาธุบางครั้งก็นอนฟังเฉยๆไม่ผนมื อ, อม ไม่ทราบคุณแม่จะได้บุญไปด้วยไหมครับถ้าตั้งใจฟังก็ได้บุญใจก็จะสงบใจจะระงับความคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายไปช่วยช่วหนึ่งก็สวนมนนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าถ้ามีคำแปลก็จะเข้าใจความหมายถ้าไม่มีคำแปลก็อย่างน้อยก็ใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็อยู่อยู่กับบทสวดฟังไปแล้วก็กล่อมใจให้มีสมาธิได้ ซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจว่าแม่จะรู้เรื่องไหมถูกไหมฮะพอคุณแม่เป็นออสไซเมอร์เราไม่ทราบคก็แล้วแต่ก็ดูอาการดูว่าเปิดแล้วมีอาการสงบหรือเปล่าถ้าสงบก็เปิดไปสวดไปค่ะถ้าเวลาไม่ได้สวดเราวุ่นวายอารมณ์มีอาการไม่ปกติค่ะแล้วพอเราสวดเขาฟังเขาสงบก็ก็ได้ผลขอบคุณค่ะคุอ คำถามจากผู้ฝาบถามค่ะขออธิบายวิธีดูอสุภะเห็นกระดูกวับหายหายบ่อยๆ อ, อยากจะเห็นให้มากกว่านี้แบบนานๆทำอย่างไรเจ้าคะเออก็เวลากินกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็นกระดูกไก่กระดูเป็ดก็คิดว่าเป็นกระดูกคนบ้างนะเ <c oughs> ออมันจะได้เห็นชั้นเอี่ยงี้นไม่ไม่เห็นอ่ะ <Okay. S 1> ต้องแปลง กระดูกเป็ดกระดูกไก่กระดูกหมูตับหมูไส้หมูกรากะเพาะหมูนี่มาเป็นของคนดูมันจะได้เกิดอาการขยะขยงขึ้นมาเ่าไปเวลาเห็นคนก็คิดถึงตับหมูตับไก่อยู่ในท้องเราเนี่ยมีทั้งมีทั้งหมดเนี่ยตับหมูก็ตับเรามันก็เหมือนกันมันก็เป็นตับเหมือนกันนี่เรามองไม่เห็นของเราเราเลยต้องอาศัยของของหมูของเป็ดของไก่ก่อนเวลาไปร้านขายเข้าต้มหมูเข้าต้องเป็ดไอ ก๋เตีเ๋ยวเป็ดเรือข้าวขาหมูอะไรเนี่ยก็ดูเนี่ยมันก็เหมือนของคนแหละคิดว่าเราถ้าเราตายไปถ้าเขาไม่มีกฎหมายห้ามเขาคงก็จับเราไปทำนินขายข้าวขาหมูนั่นก็อัศวะก็คือพยายามนึกให้เห็นอาการสาสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายเราถ้ามองไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์ก็ได้ก็จะมีภาพวาดภาพถ่ายให้เราดู ระบบกระดูกระบบอวัยวะหายใจระบบย่อยอาหารเนี่ยก็จะเห็นอวัยวะต่างๆเห็นแล้วก็เอามาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆเหมือนเอามาท่องเหมือนสูตรคูณเนี่ยสูตรคูณถ้าเราไม่ท่องเดี๋ยวเราก็จําไม่ได้แต่ถ้าเราท่องบ่อยๆต่อไปแล้วมันก็จําได้สองคูณสองเป็น4 2สองคูณส่เป็น8ปเนี่ยท่องมันไป แล้วก็ท่องอาการสามสบสองไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับฟังปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตอนต้นก็ท่องชื่อมันไปก่อนพอจําชื่อได้แล้วก็มานึกถึงอาการลักษณะของมันผมอยู่ตรงไหนผมขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนเนื้ออยู่ตรงไหนหนังอยู่ตรงไหนเอ็นอยู่ตรงไห น, อ น, อรไหนกระดูกอยู่ตรงไหนก็นึกถึงภาพของมันขึ้นมา แลนึกไม่ออกก <ฤฤ S 1> ็ไปเปิดหนังสือดูโครงกระดูกเนี่ยมีใครไม่มีโครงกระดูกมั้งแต่เคยเห็นโครงกระดูกของเราไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเพราะไม่เคยนึกถึงมันอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโครงกระดูกพอเห็นโครงกระดูกก็ตกใจกลัวทั้งที่อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดก็ไม่กลัวพอไปเห็นโครงกระดูกข้างนอกกลับไปกลัวเพราะเราไม่เคยคิดไม่เคยนึกถึงมั น, นเแล้วต้องมาคิดมานึกอยู่เรื่อย แล้วต่อไปเราจะเห็นร่างกายนี้เห็นแบบเอ็กซเรย์เห็นร่างกายของขายนี้มันจะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังะมันจะเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นหมดของที่มีในในร่างกายเหล่านี้ปัญญาเห็นได้ไม่ต้องเห็นด้วยตาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความจําะไปดูภาพมาแล้วก็จํามันไว้แล้วต่อไปมันก็จะเห็น เวลาเห็นไครก็จะเห็นอาการสารสิบสองมันก็จะทำให้ไม่หลงลักไครใครจะงไปหลงลักพวกตับปอดไตลาไส้บ้างไหมเห็นไหที่ไปรักก็พอไปลักคิ้วลักตาลักจมูกลักผมลักผิวหนังนั่นเองแต่พอมองเห็นโครงก็ดูขึ้นมามันก็ลักไม่ลักไม่ออกนะมันก็จะกําจัดความความคลายได้นี่ก็ทำให้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงา ที่มันเหงาเพราะมันอยากจะมีแฟนแต่พอรั่วแฟนเป็นโครงกระดูกเป็นตับไตไส้พุง ม, มันก็ไม่อยากจะมีแลนะความอยากจะมีแฟนก็หายไปความเหงาก็จะหายไปจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายเนี่ยนี้คือวิธีพิจารณาสุภามีหลายวิธีนอกจากนั้นก็สมัยก่อนเขาคนตายเขาไม่เผาเขาไม่ฝังเขาไปทิ้งในป่าชา้าพระก็จะไปดูศข ต่างๆศพตายหนึ่งวันติดศพตายสามวันศพตายห้าวันขึ้นเอิดพองศพที่มีหมามีแรงมีกามากัดมากินแขนขากระชวยกระจายไปที่ต่างๆอันนี้ก็ให้ดูจะได้ดูว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมันสวยเฉพาะตอนเวลาที่มันอยู่เท่านั้นเองพอเวลามันตายแล้วมันไม่น่าดูมันจะได้หลงมันจะได้หายหลงอ่ามีอะไรเลยค่ะ จะสอบถามเขามีคำถามาหลวงพ่อเลยค่ะพอดีก็ปฏิบัติธรรมม า, าสักพักแล้วค่ะจุดประสงค์ก็คือไม่อยากจะเกิดแล้วค่ะแต่ด้วยความที่เป็นหญิงค่ะแล้วก็แล้วก็มีความสงสัยว่าว่า ได้บวชชีพราหมมาหลายครั้งหลายปีแล้วค่ะ hmm. แต่อยากทราบว่าอันนี้ทรงของการถือศีลแปดบ้างศีลสิบบ้างแต่ว่าการต้องปรงผมไหมมันอันนี้ทรงแตกต่างกันอย่างไรคะ oh. ก็เลย oh. เพราะว่าไม่คิดว่าเอ๊ะมันถ้าปรงผมหรือไม่ปรงผมมันจะเป็นทางลัดที่จะทำให้เราตัดทุกอย่างได้มากกว่าไหมหรือยอย่างไงี้ยคะขอคาตอบจาก หลพอได้ค่ะคือมันก็มีส่วนแต่มันก็ไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้มันได้บรรลุคือการตัดผมกับการกนผมกับไม่โกนผมเนี่ยผมนี่มันเป็นสิ่งที่เรารักเราหวงไงเพราะเรายังรักความสวยความงามของร่างกายเราอยู่แล้วเราถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ถ้าเราไม่มีผมนี่คนจะมองเราแบบไม่รักไม่ชอบเราเราก็เลยไม่อยากให้คนเขามีความรู้สึกอย่างนั้นกับเราเราก็เลยรักเราก็เลยหวงผมเราแต่ถ้าเราไม่แคร์สักอย่างบอกว่าฉันไม่ต้องการหาความสุขจากความรู้สึกของคนอื่นคนอื่นเขาจะรักเราไม่ชอบเราหรือไงก็เรื่องของเขาเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ การจะทำใจให้สงบเราก็ต้องไม่กังวลงกับร่างกายเช่นผมบางทีผมมันก็ทำให้เรากังวลทำให้เราเวลาจะมานั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบกังวลว่าเดี๋ยวผมหงอกเดี๋ยวผมแตกเดี๋ยวอะไรต่างๆเดี๋ยวต้องไปทาผมเดี๋ยวต้องอะไรต่างๆนานาประการมันก็เป็นภาระทางจิตใจมันจะทำให้เสียเวลา แทนที่จะเอาเวลามาทำใจให้สงบก็ต้องเสียเวลาไปกับการดูแลผมเั้นถ้าตัดผมทิ้งไปได้ก็หมดปัญหาไปเรื่องหนึง่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่องความสวยงามของร่างกายยิ่งถ้าเราต้องการมองความวไม่สวยงามของร่างกายเราจะได้รู้ว่าคนเราพอโกนผมแล้วไม่หน้าดูสักคนนะไม่ว่าหญิงว่าชายพอโกนผมแล้วนี่ความสวยงามนี่หายไปครึ่งหนึ่งแล้วหรือหายไปแปดตแล้ว มันก็จะทําให้เราระงรับความลักไข่ในในคนได้เึงแต่เราเน้กว่าถ้าเขาโกนผมแค่นี้เราก็จะไม่รักเขาละอันนี้ก็มันก็จะทําให้เราตัดกิเลสที่เราไปหลงรักร่างกายเราเราจะได้มีความกังวลน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องของผมไปเรื่องของผมก็หมดปัญหาไป ขอคุณ่ะคือแต่มันยังมีเกดอีกเยอะแยะที่เรายังต้องฆ่าอยู่ใช่ค่ะเหตุนถ้าเราเพาบางคนบางคือเรายังมีภาระหน้าที่อยู่ที่ยังไม่สามารถที่จะบวชตลอดชีวิตได้เนี่ยอย่ต้องก้ยก็ได้ไม่ต้องกดก็เลยบางคนก็ยิ่งถ้าเป็นพ่อแม่เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะตกใจอย่างนี้เขาก็จะแบบยังต้องทํางานอยู่ยังต้องก็จะห้ามห้ามกันว่าตรงนี้มีแต่เราก็คิดว่า จะไปทางรักหรือว่ายังไงให้เราได้ออันนั้นต้องรอที่บอดรอไปบวชจริงๆก็โกนก็ได้ถ้าบวชเชื่วคราวนี้ยังเกิดเป็นหญิงอย่างนี้อ่ะค่ะหญิงชายเหมือนกันผู้ชายถ้าโกนหัวแล้วยังกลับไปทางมานควางก็จะถามให้มึงไปบวชมาเหรือก็เหมือนเดิมนะคะนี่อการโกนหัวนี่มันเป็นขั้นสุดท้ายสําหรับผู้ที่จะไปบวชจริงๆถ้ายังไม่บวชจริงยังไม่ต้องโกนอเพราะมันไม่มันไม่มีผลแตกต่างกันมากนัก ขคคุณค่ะแต่ถ้าใจกล้าใจเด็ดโกนได้ก็ดี <c oughs> ไปทำงานแบบโกนหัว <c oughs> มันไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่เลยไม่ผิด <c oughs> แต่ว่าคนอื่นเขาก็ตกใจว่าเป็นอะไรก็ขี้เกียจจะตอบคำถามอะไร ก็ไม่ตอบเราเขียนป้ายติดไว้ที่อกถามไม่ไม่เอ๊ะเป็นทุกข์หรือว่าอะไรหรือเปล่าบางคนจะจะตกใจแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากปฏิบัติมากกว่าที่จะบางทีไม่ได้เป็นทุกข์หรือว่าอกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราชอบที่จะปฏิบัติมันเป็นความสุขของเราใช่ถ้าคิดว่ามันเป็นปัญหามากกว่าแก้ปัญหาก็อย่าเพิ่งไปทํามัน ถ้ามันสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาก็อย่าเพิ่งไม่ทำแ ต, แต่ถ้าทำแล้วมันทำให้ปัญหาน้อยลงก็ทำมันเช่นเวลามาบวชแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องผมก็หมดไปไม่ต้องคอยมาสระมามาหวีมาเช็ดอาบน้ำแต่ละทีนี่ต้องมานี่มีสบู่ก้อนเดียวลูบไปปั๊บเดียวเสร็จอาบน้ำเสร็จแห้งรวดเร็วนะไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรไม่ต้องใช้น้ายาน้มอะไรต่างๆก็ที ท, ที่คิดว่า ผู้หญิงตะกลอนเพราะว่าอย่างตัวเองก็จะเป็นคนห่วงสวยด้วยค่ะถ้าคิดว่าเป็นกิเลส ข, ของตัวเองส่วนหนึ่งและส่วนมากด้วยก็เลยแต่ว่าเราก็ชอบปฏิบัติทางนี้ก็เลยคิดว่ามันนะเหมือนเหมือนดัดนี้ใส่ตัวเองอย่างนั้นนะคะไม่ไ ด, ได้ก็ดี<ะ>ทําได้ก็ดีเหมือนเรารู้จุดอ่อนอของเราอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องกังวลกับความสวย เพราะต่อไปร่างกายเพราะยังไงก็ต้องแก่ต้องตายอยู่แล้วเป็นธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นก็เหมือนเตรียมตัวไวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถูกต้องคขอบคุณค่ะแต่ถ้ายังต้องเล่นละครอยู่ก็ต้องเล่นไปอยู่ในโลกก็เหมือนเล่นละครเนี่ยทำงานทำงานก็ต้องเล่นละครไงก็ต้องเล่นละครก็ต้องแต่งหน้าทาปากแต่งผ้าแต่มผมอะไรไปแล้านายถามว่านี่ทำซีโมมเหรอใช่ นี้ไม่ดีเดี๋ยเขาก็จะไม่ให้เราทํางานเพื่อได้ซ้ํำไปเพราะว่าไม่ได้เป็ น, นก็ถึงบอกต้องก็ต้องเล่นละครไปก็แล้วกันถึงแม้เราจะไม่ชอบสวยไม่ชอบงามแต่เราก็ต้องไปทํางานก็เหมือนกับเราไปเล่นละครแ ต, แต่เรารู้ว่าเรื่องนี้มันกิเลส น, นะแต่เรายังมีก็แล้วกั น, น, น เ, เราจะทําด้วยกิเลสก็แล้วกันเราทําเพราะว่ามันเป็นบทละครที่เราต้องเล่น คือมเรียกคือค่าเกเรทุกอย่างให้หมดไปอความรักสวยร่างงามนี่ก็เป็นกเกเรผู้หญิงนะงั้นมันรู้สุดอ่อนของเราแต่จะทำอะไรถ้าอยู่กับคนอื่นนะฮะคนอื่นก็จะบอกว่านี่ฉันดูหน้าเธอไปนะอะคือขอให้เราอย่าไปกังวลกับความสวยงามของร่างกายก็แล้วกันผมมันจะงอก็ปวน จะทำเพื่ออะไรก็เลยแบบไม่ติดใจไม่รู้ก็ไม่รู้จะถามใครถามอาาระอาจารย์ท่านตอบถ้ายังไม่บวชตลาดชีวิตก็ยังไม่ต้องทํำเพราะเรายังเป็นลูกครึ่งอยู่เป็นนักบวชครึ่องบวชครึ่องบุญอยู่ยังเรายังต้องเปลี่ยนบทบาทอยู่เวลาไปทํางานเราก็ไม่ได้เป็นนักบวชเราก็ต้องเป็นบทบาทของคนทํางานไปอันนี้จบแลที่าจะทำของเราทั้งหมดเข้าใจแล้วนะเออ เอ <Okay. S 1> าคําถามต่อไปค่ะคําถามจาก youtube นะคะจากคุณแซมซุงค่ะกลับนรรพระอาจารย์ครับการฝึกตายก่อนตายมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรครับขอบพระคุณครับก็คิดว่าเราตายคือร่างกายเรายังถึงแม้ว่ายังอยู่ก็คิดว่าเราลองถามวล า, าคนตายเขาโลภปะ เขาอยากได้อะไรหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเราอยากจะหัดตายก่อนตายก็เราก็ทําตัวเป็นคนตายเลยอย่าไปรูปอย่าไปอยากได้อะไรยินดีใครให้อะไรมาก็ยินดีได้อะไรมาก็ยินดีตามมีตามเกิดอันนี้ก็เป็นการสึกตายแบบหนึ่งก็คือเราไม่หวังอะไรแล้วคนตายไม่หวังอะไรเลยใช่ไหอไม่หวังตําแหน่งไม่หวังเงินเดือนขึ้นแม้กระทั่งอดตายก็ไม่ไ ม, ไม่ก็ไม่เดือดร้อน เพราะว่าคนตายมันไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นอ่ะนี่ก็คือการสุดายถามว่าคนตายเดือดร้อนไหมเวลาอดข้าวเขาไม่เดือดร้อนถ้าเราอยากหัดตายก่อนตายเราก็อย่าไปเดือดร้อนกับเวลาอดข้าวเวลาเขาปวดเราออกจากงานคนตายเดือดร้อนไหมคนตายก็ถูกปวดออกจากงานเนี่ยไม่เดือดร้อนเราก็อย่าไปเดือดร้อนเหมือนคนตายคือทำะไรให้ทุกอย่างที่เวลาเป็นเหมือนคนตายคือคนตายไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นอันนี้ก็ เป็นวิธีฝึกตายแบบยังอยู่อยู่แบบคนตายอยู่แบบไม่มีความต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นหาอะไรได้ก็หาไปถ้ายังจำเป็นยังต้องหาเลี้ยงร่างกายก็หามันไปแต่ถ้าหาไม่ได้มันก็ตายแล้วก็ฝึกตายอยู่แล้วมันก็ให้มันหให้มันตายไปสรุปแล้วคือให้เรายอมตายให้ได้ถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะไม่กลัวตาย วิธียอมตายก็คือจะต้องเอาร่างกายไปไปไปเจอกับเหตุการณ์ใกล้ตายมันถึงจะรู้ว่ายอมหรือไม่ยอมใช่ไหอครับนมื่ก่อนมีผู้หญิงคนนี้คนหนึ่งเข้ามาเล่าว่าเขาปวดท้องมากอาเจียนถ่ายออกมาคิดว่าตายแน่แน่ก็เลยยอมปง่งแล้วยอมตายเพราะตอนนั้นคิดว่าจะไม่มีใครมาช่วยแล้เราอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปพึ่งใครหาใครมาช่วยยอมตาย พอยามตายจิตมันก็ทิ้งร่างกายจิตมันก็เท่าสู่ความสงบใจกับสบายแล้วพอร่างกายพื้นขึ้นมาก็รู้สึกมีกำลังใจอยู่นี้ไม่กลัวอะไรละวะไม่กลัวอดตายไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอันนี้ถึงจะเป็นแบบว่าหัดตายแบบก่อนตายจริงคือต้องมีประสบะการณ์ใกล้ตายจนกระทั่งยอมตายปล่อยยอมปล่อยร่างกายได้ อ่าใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่รู้ไงตอนนี้มันไม่มีอะไรมาท้าทายให้เราปล่อยหรือไม่ปล่อยต้องถึงเวลามีเหตุการณ์เห็นนั่งขึ้นเครื่องแล้วปวดกลับตันหอนตอนนี้ใบพัดเครื่องยนต์ไม่ทำงานไม่รู้จะลงแบบไหนเนี่ยตอนนั้นอ่ะก็จะปรงกันได้หรือไม่ได้ก็ตอนนั้นถ้าถ้าเรายอมตายเราก็ไม่กลัวมันจะตายก็ตายไป เพราะ่างกายตายแต่ใจสบายใจสงบเพราะเรายอมตายอย่างเนี้เรียกว่าหัดตายจริงตายแบบถ้าทำนี้ได้แล้วจะอยู่ไปแบบไม่ไม่กลัวตายไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายต่อไปคําถามจากคุณภูมิศักค่ะกระผมเป็นคนสมาธิสั้นปฏิบัติสมาธินั่งได้ไม่นานผมอยากจะหลุดพ้นจากอบายภูมิในภพหน้า ผมต้องปฏิบัติตนเช่นไดครับออบายนี่ก็ง่ายอย่าไปทำบาปห้าข้อเท่านั้นเองอย่าไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดอย่าไปดื่มสุรายาเมาถ้ารักษาศีล5้าข้อได้ก็ไม่ปล้องไปอาบายคำถามจากคุณจงสินี พอดีวันนี้ลูกสาวของหนูเขามาปรึกษาจะทำสัญญาบริจาคอวัยวะหลังเสียชีวิตค่ะซึ่งหนูยังคงสงสัยว่าเขาจะได้บุญไหมคะจะห้ามลูกก็กลัวขวางบุญเขาเพราะเป็นห่วงลูกมากเมตตาอธิบายด้วยค่ะอ๋อการบริจาคล่างกายอวัยวะต่างๆตอนที่ตายไปแล้วไม่ได้บุญเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราได้บริจาคหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราตายเราทิ้งล่างกายไปแล้ว ถ้าอยากจะได้บุญต้องรู้ว่าเราได้บรยจากเช่นบรยจากตายไปให้แม่ให้พี่ให้น้องเขาขาดตายเขาตายวายแล้วเราไม่อยากให้เขาตายเรามีสองตายเราก็แบ่งให้เขาตายไปอันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเราได้บรยจากเราได้เสียสละแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนั้คือความตัวบุญก็คือความสุขใจที่เกิดจากการที่เราได้เสียสละของที่เรารักที่เราหวง ให้กับคนอื่นเพื่อให้เขาอยู่ต่อไปได้ให้เขามีความสุขอันนี้แหละบริจาคต้องบริจาคแบบนี้หรือบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเรารู้ว่านี้เราได้เสียสาบเลือดคนเอาเลือดไปเวลามีเขาขาดเลือดเขา่ได้มีเลือดของเราไปต่ออายุ ข, ของเขาได้ต้องบริจาคตอนที่เราเรารู้เช่นมีตาสองตาแม่ตาบอดสองตาอยากให้แม่มีตาหนึ่งก็แบ่งตาให้แม่สักตานึงอย่างเงี้ย อันนี้ก็เรียกเราก็จะได้บุญเพราะเรารู้รู้ว่าเราได้เสียสละแต่เวลาที่เราตายไปเราพก่อนตายเราเขียนกระดาษไว้เท่านั้นเองเราจะไม่รู้แล้วว่าเขาจะทําตามที่เราเราเราสั่งหรือเปล่างั้นเราจะไม่ได้บุญคือความสุขใจนี้จะไม่ได้แต่ประโยชน์ของผู้รับยังได้อยู่เหมือนเดิมคนที่เขาเอาเอาวอายวะไปเขาก็ยังได้ประโยชน์เหมือนเดิมแต่คนให้จะไม่ได้บุญอย่าที่บุญจากนี้เพื่อประโยชน์ของคน คนรับแต่คนให้จะไม่ได้บุญจะได้บุญก็ตอนที่ยังไม่ตายต้องให้ตอนเป็นๆอยู่คำถามจากคุณชินค่ะพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าบรรดาธรรมทั้งหลายวิลา ค, คือการปรสจากความกำหนัดยิงดีกระเสริฐที่สุดกระผมพิจารนาว่าทรงต้องการให้มนุษย์ได้พยายามละตัณหาสามประการคือการตัณหา ความอยากในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสละภาวะตัณหาความอยากมีอยากได้อยากเป็นและและวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่ได้ไม่เป็นจึงจะพบความประเสริฐกรผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องอย่าไปมองว่าสิ่งต่างๆน่ารักลองมองว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดเวลาหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์ เวลามันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เราทุกข์เนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีอะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากรูปเสียงกลิ่นนนทอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วก็จะไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะไม่มีความอยากที่จะพาเรามาเกิดเด็กต่อไปคำถามจากคุณมีน้อยากทำบุญอยากมีความสงบถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่ครับอ๋อไม่เป็น ความอยากที่เป็นกินเลสก็สามตัวนี้อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นแต่การอยากทําบุญอยากปฏิบัติธรรมอยากบวชนี่เป็นมรรคเป็นธรรม ะ, ะคําถามจากคุณปาล์มการไม่กินอะไรตลอดเจดวันหมายถึงกินเฉพาะน้ําปานะเท่านั้นหรือไม่คะหรือต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็แล้วแต่คนที่จะถือว่าจะถือหนักหรือเบายัางไงบางคนก็ไม่เอาอะไเล ย, เลยนอกจากน้ําเปล่า อย่างพระธุดงในป่าอย่างคูบาญานหนวงปู่หลวงตามหาบวัวท่านเคยเล่าบางทีท่านอยู่ในป่าท่านอดอาหารไม่มีอะไรให้กินนอกจากน้ําเปล่าท่านก็ดื่นแต่น้ําเปล่าไปแต่ท่านใช้การภาวนาดับความหิวได้มัมแล้วมันเป็นวิธีบังคับให้เราภาวนาพอเวลาร่างกายเวลาใจหิวมันก็ต้องภาวนามันถึงจะหายหิวเราจะไปหาอาหารกินก็ไม่มีอาหารให้กินอยู่ในป่า มันก็เป็นวิธีบังคับให้เราขยันภาวนาเพราะไม่เช่นนั้นเราจะขี้เกียจถ้าเรากินอาหารไปบินทบาทกรรมฉันเสร็จแล้วมันอิ่มท้องมันไม่มีใจไม่เดือดร้อนมันก็อยากจะนอนแทนที่จะภาวนามันเลยไม่ได้ภาวนาถ้าเลยใช้วิธีโอดอาหารเป็นตัวกระตุ้นให้เราขยันภาวนาเพราะเวลาใจทุกข์ใจหิวมันจะต้องภาวนาถึงจะหายทุกข์หายหิวอีกหนึ่งคำถามโอเคคำถามสุดท้าย คำถามจากคุณนพพลคนป่วยเป็นโรคหัวใจการปฏิบัติธรรมช่วยได้และมีประโยชน์อย่างไรครับและควรเริ่มปฏิบัติอย่างไรครับอ๋อมันไม่แน่หรอกถ้าเป็นเรื่องความความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายการปฏิบัติธรรมมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกอางนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยทางร่างกายได้หมดในการปฏิบัติธรรมนี้รักษาทางใจ ทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เครียดไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายเท่านั้นเองถนทางร่างกายก็ต้องอาศัยยาอาศัยหมอที่รู้วิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆางั้นมันรักษาโรคหัวใจไม่ได้หรอกจากการปฏิบัติธรรมคนเป็นโรคหัวใจก็ต้องไปหาหมอหัวใจหมอบอกให้ทำบายพาสก็ต้องบายพาสทำบอลูนก็ต้องบรลูนงนัน้มันหัวใจมันก็จะทางานไม่ได้ นั่งสมาธิไม่สามารถไปทำให้หัวใจทำงานเป็นปกติได้มันคนละเรื่องกันเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่ามีโทนี่มาโทนี่โรเบียวันมัวรวอสชนต่ออ่เขาถามว่าจะทำไงให้ใจมีอุเบกขาอุเบกขานี้ต้องนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วจะมีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาจากสมาธิก็ต้องใช้อุเบกขาเทียม ก็คือต้องบังคับใจไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงเห็นอะไรก็อย่าไปรักเห็นอะไรก็อย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงอันนี้ก็จะเป็นอุเบกขาเทียมเพราะบางทีก็บังคับได้บางทีก็บังคับไม่ได้บางทีเจออะไรที่เราชังมากๆเจอางมันก็ห้ามชังไม่ได้แต่อย่างน้อยก็พยายามระงับมันไว้อย่าปล่อยให้มันออกมาอันนี้ก็ยังจะเป็นอุเบกขาเทียมอยู่ ถ้าเป็นอุเบกขาจริงนี้ต้องเข้าไปสมาธิบ่อยๆถ้าจิตรวมเป็นสมาธิแล้วมันจะมีอุเบกขาแล้วออกมาจากสมาธิมันก็จะมีอยู่ชั่วคราวเหมือนน้าเย็นเวลาเราเอาน้ําแช่ในตู้เย็นมันก็จะเย็นพอออกมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเข้าเหน๋ยวมันก็หายเย็นถ้าหายเย็นก็ต้องเอาน้ำกลับไปแช่ใหม่ <c oughs> นั่งสมาธิแล้วออกมาใจจะมีอุเบกขาพอสักพักอุเบกขาหายไปก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ ถ้าอยากจะไม่ต้องกลับเข้าสมาธิอยากให้มีอุเบกขาตลอดก็ต้องใช้ปัญญาเพราะตัวที่จะมาทำลายอุเบกขาก็คือความอยาก <c oughs> พอเห็นอะไรอยากได้มันก็รักขึ้นมางั้น <c oughs> เราก็เราก็หยุดความอยากเสียพอหยุดความอยากเราก็จะหยุดความรักได้ความอยากเกิดจากความรักเห็นแลารักเราก็อยากได้แต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปของที่เรารักก็เราก็จะเฉยเฉยได้